ก็ความในคัมภีร์กุตการนิกายติวุตกะต่อนะครับคือยังอยู่ในอัตถกถาวิตกสูตรซึ่งขยายพุทธคุณในบทว่าตถาคตซึ่งยังอยู่ในตถาคตในยะที่สองนะครับตถาคตนั้นมี2องในในที่1กับในที่2ในที่1ก็มี8ข้อในที่2ก็มี8ข้อทีนี้เรากําลังเรียนในที่สองข้อที่3อยู่นะครับเพราะว่าเสด็จมาถึงยานอันทองแท้ แล้วพยานอันทองแท้ที่เราเรียนไปแล้วนะครับยานแรกชื่อว่ามรคยาน4นะครับยานที่2เขาเรียกว่ายานอันไม่มีปัจจัยใดๆกางกั้นในการ3นะครับที่ อ, อนนะยานที่3ก็ได้แก่เวสารัชยาน4นะครับแล้วก็เรียนยานที่กำหนดคติ5แล้วก็อสสาธารณัยาน6 ซึ่งอาสาธารณยาน6นั้นประกอบไปด้วย 1. น, นะครับอินริยโปรปริยติยาน 2. อ, อาสยานุสยายานนะครับามยมกะปาติหาริยยานนะครับแล้วก็มหากรุณาสมาบัติยานสัพพัญยุตยานอนาวรณญาณแล้วก็ยานที่ประกาศสัมโพชงอีก7ต่อจากอาสาธารณยาน6นะครับนี่ก็มาขึ้นยานที่ทำอริยมรคให้แจมแจ้งนะครับ คือในครั้งที่ผ่านมานั้นพูดถึงอริยมรรคยานสี่ที่แทงตลอดอริยสัจในขณะเดียวนะครับซึ่งแทงตลอดทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาซึ่งพระองค์ตรัสรู้ในยานเหล่านั้นด้วยสยามภูยาณทีนี้ก็มาขึ้นว่าอริยมรรคนะครับอริยมรรกก็มาจําแนกแจกแจงโดยในยักโดยประการต่างๆอันหนึ่งพยานอันธทมอริยมรรคให้แจมแจ้งของพระผู้มีพระภาคอันเป็นไปโดยอาการมาก อย่างนี้ว่าเมื่อว่าโดยสรุปนะครับมรแปดเนี่ยนะเมื่อว่าโดยสรุปนั้นก็ว่าเน้นยกหยิบหยิบยกเอาเฉพาะอริยมรมาว่าในอริยสัจสี่เหล่านั้นทุกขนันิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเนี่ยเป็นฉไงคืออริยมรมีองค์8ดนี่แหละอันได้แก่สัมมาทิฏฐิอย่างหนึง่งสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินะครับ น, นี้เรียกว่าทุกขา น, นิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจหรือเรียกว่าปฏิปทาข้อปฏิบัตินะครับเพื่อให้ถึงความดับทุกขหรือว่าเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานจะต้องสแสวงหาอริยมรรคนี้นะครับถ้าใครต้องการนิพพานนั้นถ้าหากว่าทิ้งอริยมรรประกอบไปด้วยองค์8 หวังได้เลยว่าไม่มีทางถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนหรือว่าอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั้นเป็นสภาวะธรรมที่สแสวงหานิพพานนะครับทีนี้ถ้าหากว่าว่าโดยสามัญลักษณะของอริยมรรคมีองค์แปดนี่นะครับชื่อว่าอาริยะเพราะไกลาจากสัพพกิเลสนะครับไกลาจากกิเลสทั้งหมดเลยนะและก็เพราะทำความเป็นอริยะและเพราะให้ได้อริยผล เพราะถ้าหากว่าไม่มีอริยมรรคเสียนะครับอริยผลก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีโสดาปติมรรคโสดาปติผลจะไม่เกิดถ้าไม่มีสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลจะไม่เกิดถ้าไม่มีอนาคามิมรรคอนาคามิผลจะไม่มีถ้าไม่มีอรหัตมรรคอรหัตผลจะไม่มีนะครับแล้วผู้ที่ได้บรรลุอริยมรรคและได้อริยผลเหล่านี้ก็สําเร็จความเป็นอริยะนะครับ ผู้ที่ได้เป็นอริยะอย่างนี้ก็จะไกลาจากกิเลสทั้งหลา ย, ยาเช่นถ้าพระโสดาบันก็จะไกลาจากสกายะทิฐินะครับความสําคัญว่าเป็นอัตตาในขันธ์ห้าทั้งหมดนะครับคืออัตตาอัตตาแบบเดียรถ์ถีนะก็จะละได้อย่างสมุทเฉธาหานแล้วก็จะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณของพระัตนะตรยัยนะครับจะไม่มีความสงสยัยเลยว่า พัฒถาคตนี้เป็นผ้าหัน์เป็นต้นจริงหรือเปล่าพระธรรมคําำคำสอนนั้นเป็นนิยามนิกระทำสอนให้พ้นจากทุกจริงหรือหมู่พผ้าระยะสาวกทั้งหลายที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อรู้พระนิพพานเป็นต้นเนี่ยปฏิบัติจริงหรือเปล่าก็ไม่สงสัยแล้วถามว่าทําไมจึงไม่สงสยัยเพราะตัวเองก็หนึ่งในบรรดาผู้ปฏิบัติดีด้วยคนหนึ่งนะคะเอาตัวเองเป็นพยานได้เลยนะครับคล้ายๆว่าเป็นผู้รับรองเลยนะ แล้วพระโสดาบันนั่นนะครับจะไม่เข้าใจข้อปฏิบัติอันอื่นนอกจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเลยนะครับว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะเพราะว่าข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่มีอย่างอื่นนอกจากมรรคมีองค์แปดหรือว่านอกจากธรรมวินัยนี้แล้วมรรคมีองค์แปดจะมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นคือมีในาศาสนาคาสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับ เชื่อว่ามีองค์8นะเพราะมี8อย่างนะครับและเพราะเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานโดยส่วนเดียวนะครับคือต้องอาศัยองค์ประชุมทั้ง8อย่างนะครับเหมือนกับว่าดนตรีมีองค์5กองทัพมีองค์สี่นะทุกอย่างก็ต้องมีองค์ของเข า, าการจะตรัสรู้อริยมรรคก็ต้องอาศัยองค์ทั้ง8นะครับถ้าระดับปฐมฌานนะเว้นระดับทุติยฌานเป็นต้นไปจึงละวิตกนะครับถ้ามรรคในระดับทุติยฌานก็ละวิตก ถ้ามักระดับตัติยะชานก็นล ะ, ะปีติอย่างอื่นๆนะเช่นปีติสามโพชงนะครับในกลุ่มโพธิปัจฉิยธรรมแต่ว่าโดยมักมีองค์8แล้วถ้าระดับปฐมฌานก็ยังมีองค์8คือมีวิตกอยู่ด้วยถ้าหากว่าระดับทุติยะชานเป็นต้นไปจึงจากละวิตกได้นะครับเพราะฉะนั้นอริยะเนี่ยนะครับมักมีองค์8เนี่ยนะมีความสำคัญมาก เชื่อว่ามัคเนี่ยนะครับเพราะฆ่ากิเลสนะคําว่ามัค ก, กันนะเป็นตัวที่ฆ่ากิเลสทําลายกิเลสหรือผู้ต้องการพระนิพพานจะต้องสแสวงหามัคอันนี้หรือตอนเองเนี่ยนะครับสแสวงหานิพพานคือเป็นสภาวะที่ต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นนะอริยมัคนี้ไม่มีอย่างอื่นเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับเว้นไว้แต่โลกิยมัคโลกิยมัคที่เรียกวิวปัสสนาทั้งหลาย พวกวิปัสนาหรือศีลเป็นต้นที่เป็นโลกิยมักสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์แต่ถ้าอริยมักในขณะโลกุตระจิตนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอริยมักมีองค์8นะมาประมวลโดยสรุปนะครับก็คือถ้าใช้ขยายเป็นสับสับก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าอริยะนี้ไกลาจากกิเลสหรือว่ากระทําความเป็นอริยะหรือทําให้ได้อริยผล องประชุมต้อง8อย่างมักเป็นตัวที่ท่ากิเลสนะครับนี้เรียกว่าว่าหรือกล่าวโดยสามัญญลักษณะนะครับเป็นการวินิจฉัยอีกนัยหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าวินิจฉัยหรือกล่าวถึงลักษณะพิเศษขององค์มรรคแต่ละองค์นะครับเช่นสัมมาทิฏฐินี่มีการเห็นโดยชอบเป็นลักษณะสัมมาทัศนลัคโนสัมมานี้แปลว่าโดยชอบหรือโดยถูกต้องแม่นยําไม่ผิดพลาดนะนะ ไม่ผิดพลาดไม่คลาดเคลื่อนถูกต้องทัศนะนี้แปลว่าความเห็นมีลักษณะความเห็นที่ถูกต้องโดยชอบโดยตรงโดยไม่คลาดเคลื่อนนะครับส่วนสัมมาสังกัปะนั้นบาลีใช้คําว่าสัมมาอะิโรปนารคโนนะครับมีการยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์โดยชอบเป็นลักษณะนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่กระตุ้นเตือนนะครับหรือว่ายกสัมปยุตธรรมขึ้นนะครับ ส่วนสัมมาวาจานั้นมีการกําหนดโดยชอบเป็นลักษณะนะครับปริระหะนะครับปริรหาหนารักขนโน ส, สัมมานะครับสัมมาปริรหาหนารักคโนเนี่ยนะกำหนดโดยชอบแต่อย่าลืมนะว่าถ้าสัมมาวาจานในขณะอริยมรรคนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับถ้าระดับธรรมดาก็มีประมถถาทธรรมโดยทั่วทั่วไปเป็นอารมณ์ส่วนสัมมากตมันตะมีความอุตสาหะโดยชอบเป็นลักษณะนะครับคือ สมุทฐานะเนี่ยนะครับมีมีหลายท่านแปลโดยนยยต่างๆกันแต่ตรงนี้ผมชอบใจคำว่าอุตสาหะนะครับบาลีว่าสมุทฐานนะครับสมุทฐานนะนะส่วนสัมมาอาชีวะนั้นมีความผ่องแผ้วโดยชอบเป็นลักษณะคือวูทานะนะครับผ่องแผ้วส่วนสัมมาวายามะก็มีการประคองไว้เป็นลักษณะคือปัจขะนะครับประคองไว้วิริยะนี่มีลักษณะปัหะลัคโนนะครับ ส่วนสัมมาสตินี้มีกาความปรากฏโดยชอบนะครับอุปทานอุปทานเนี่ยก็แล้วแต่จะแปลนะครับแต่ชอบคําว่าปรากฏนะครับความปรากฏนะนะ <c oughs> ส่วนสัมมาสมาธินะครับมีความไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบเป็นลักษณะ น, นะครับอวิเเคปะลัคนโนคือไม่ฟุ้งซ่านนะนะอ่าถ้านี้นี่กล่าวถึงในขณะโลกุตระนะครับทั้งหมดนะทั้งทั้ ง, งองค์แนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับ มีเราความสงบระงับจากสังขาร น, นิมิตทั้งหมดนี่เป็นอารมณ์นะครับครับถึงขณะธรรมดาก็เหมือนกันนะครับขณะโลคิยะก็เหมือนกันแต่ถ้าประชุมพร้อมเมื่อไหร่ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับปกติฟังเรื่องอรยิยมรรคในองค์แปดเนี่ยไม่เห็นยากเหมือนเหมือนอย่างนี้เลยครับทําไมนั่งฟังวันนี้รู้สึกเอ๊ะทำไมมันยากจังเลยอ่ะทําไมครับฟังไม่ไม่ไมค่อยจะรู้เรื่องเลยครับก็สาธุ <laughs> ก็แสดงว่าเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่เข้าใจอันนี้ถูกต้องแสดงว่าอาริยมรรคเกิดขึ้นและมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แทงตลอดอริยสัจไปแล้วนะครับแต่นี้ก็ดีแล้วนะครับที่รู้ตัวนะครับโมทนาด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่รู้แล้วสําคัญว่าไม่รู้ก็พอจะรู้ได้บ้างอย่างนั้นเถอะ <c oughs> บอกว่าคนที่อะไรนะเป็นพานใช่ไหมครับรู้ตัวว่าเป็นพานพอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะเหตุนั้นนะครับ ทีนี้ต่อไปนะครับถ้าหาว่าสัมมาทิฏฐิเ<ๆ>นี่ยนะครับเคยได้เรียนเรียนคําขยายมาไหมว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ย네นะครับที่ว่าเห็นชอบเนี่ยเห็นอะไรนะครับเห็นอริยสัจสี่นะครั บ, เ ห, รรบเห็นทุกขาริยสัจเห็นสมุทัยอริยสัจเห็นนิโรธอธริยสัจแล้วก็เห็นทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาอริยสัจนะที่ว่าเห็นเห็นเนี <merely> ่ย <ๆ S 1> 네นะครับ <ๆ Clearly S 1> <ๆ S 2> คือเห็นอริยสัจนะครับสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะครับ เป็นไปโดยเนคขมมะสังกัปปะเป็นต้นนะครับคือเนคขมมะสังกปะอัพยาปาธาสังกัปปะและอวิหิงสาสังกัปปะส่วนสัมมาวาจา ก, ก็คือเว้นจากวาจีทุจริตทั้งสประการแล้วก็กล่าววาจีสุจริตสประการสัมมากัมมันตาก็เว้นจากกายทุจริตแล้วก็บำเพ็ญกายสุจริตส่วนสัมมาชีวก็เว้นจากอาชีพที่เป็นมิจฉา วาจามิจฉากัมมันตะแล้วก็เจริญอาชีพที่เป็นส yes, ัมมาวาจาสัมมากรรมันตะนะครับส่วนสัมมาวายามะนั้นปะคะหะปะคะหานะเนี่ยนะครับภาคเพียรพยายามนั้นหมายถึงเพียรในสัมมาปทานสี่นะครับส่วนสัมมาสติเนี่ยอุปทานะในที่นี้นี่นะครับอุปทานหรือปฐทานเนี่ยหมายถึงในสติปฐาน4ี่นะครับส่วนสัมมาสมาธินั้นพึงเห็นได้ในฌานสี่นะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ประชุมประมวลรวมกันแล้วก็แทงตลอดอริยสัจที่ไม่เคยเห็นมาเลยเรียกว่าอนันญตันยสามีตินสีนะครับถ้าบรรลุครั้งแรกเลยนะที่ไม่เคยรู้ไม่เคยตรัสรู้อะไรมาเลยถ้าบรรลุครั้งที่สองต่อๆไปก็เรียกว่าอัญยินทรียนะครับถ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้จนเรียบร้อยแล้วนะครับในระดับอรหัตผลจิตก็เป็นอัญญาตาวินรีนะครับจบบริบูรณ์เลยเป็นพระอเสขธรรม เป็นผู้ที่ทำที่ถึงความเจริญที่สุดไม่ต้องภาคเพียรเรียนศีลเป็นต้นนะเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะครับส่วนการจำแนกโดยกิจนะครับมรกแต่ละมรกเนี่ยนะจำแนกโดยกิจว่าสัมมาทิฐิเนี่ยนะครับละมิชฉาทิฐิพร้อมกับกิเลสอย่างอื่นที่เป็นข้าศึกของตนกระทาพระนิพพานให้เป็นอารมณ์และเห็นสัมปัตยธรรมทั้งหลายโดยไม่หลง ด้วยอำนาจกำจัดโมหะอันปกปิดสัมปยุตธรรมเหล่านั้นเรียกว่าไอ้คำ ว, ว่าเห็นสัมปยุตธรรมทั้งหลายโดยไม่หลงเนี่ยหมายคือว่าเพราะไอคมมไะค้ความมืดที่เป็นเหตุให้หลงเนี่ยไม่มีแล้วนะครับความมืดที่เป็นเหตุให้หลงวันนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะเป็นต้นอะ่ะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเห็นก็ได้นะครับหลักกิจโดยตรงของสัมมาทิฏฐิก็คือกำจัดมิจฉาทิฐิ และอกุสโ Glass สธรรมทั้งหลายที่มีมิจฉาทิฐิเป็นผู้นําหมือนกันเถอะบาปประรรมทั้งหมดที่ที่มีที่ติดตามมิจฉาทิฐินะถ้าสามมาทิฐิเกิดขึ้นจะละตัวมิจฉาทิฐิด้วยละอากุศสธรรมทั้งหลายที่ติดตามมิจฉาทิฐิด้วยนะครับเหมือนกับเมื่อฆ่าหัวหน้าเสร็จบริวารที่เหลือถึงจะหมื่นเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนก็เท่ากับถูกฆ่าไปด้วยนะครับอันนี้องค์ธรรมใช่โลภะสัมปยุตสีไหมฮะไม่ใช่ครับ คือตัวทิฏฐิเจตสิกนะครับได้แก่องค์ธรรมของเมตขาทิฏฐิไม่ใช่ตัวโลภะนะครับถ้าโลภะนี่เป็นชื่อของเจตสิกอีกตัวหนึ่งทิฏฐิก็เป็นชื่ออีกเจตสิกอีกตัวหนึ่งถ้าจิตนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเช่นถ้าใช้คําว่าโลภะมูลจิตเนี่ยสภาวะได้แก่จิตนะครับนะครับสภาวะได้แก่จิตแต่ถ้าบอกว่าทิฏฐินี้เกิดร่วมกับโลภะมูลจิตทิฏฐิขตะสัมปยุตสีดวงเนี่ยน ะ, ะก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงตัว ที่ถเจตสิกอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามีคําว่าจิตห้อยท้ายแสดงว่ากําลังพูดถึงจิตนะแต่ที่ยกชื่อว่าสัมปยุทธวิปยุทธอาสังคาริกสังคาริกเป็นต้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นความจํากัดนะครับให้เห็นข้อจํากัดความว่าไม่ใช่พูดถึงจิตอื่นๆนะแสดงว่าพูดจิตดวงนี้อยู่นะครับเหมือนกับ อ, อมรคนี่มีองค์แปนะถ้าเราพูดถึงสัมมาทิฏฐิแสดงว่าไม่ได้พูดถึงองค์มรคอื่นนะครับลักษณะนั้นนะครับ ผลสัมมาทิฐินี้ก็จะละมิจฉาทิฐิพร้อมทั้งบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่มีทิฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็ในขณะเดียวกันนะกุศลธรรมทั้งหลายที่มีสัมมาทิฐิเป็นประธานก็จะตามมาทั้งหมดนะนะอันหนึ่งแม้สัมมาสังกัปปะก็ละมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นได้นะครับกระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ตรงนี้เห็นนิพพานหมดนะครับคือมีนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาสังกัปปะนั้น กระทาการยกสหชาตธรรมขึ้นสู่อารมณ์โดยชอบนะครับคืออภิโรปนาณะนะส่วนสัมมาวาจาก็ถือเอาสหชาตธรรมโดยชอบปริกฐานะส่วนสัมมากรรมตะก็ยังสหชาตธรรมให้อุตสาหะโดยชอบสัมมาวายามะก็ประคองสหชาตธรรมโดยชอบสัมมาสติก็ยังสหชาตธรรมให้ตั้งมั่นโดยชอบสัมมาสมาธิก็ย่อมตั้งสหชาตธรรมโดยชอบคือแต่ละอย่างนั้นให้รู้เธอว่า ละมิจฉามักนะเช่นถ้าสัมมาสังกปะก็ละมิจฉาสังกปะสัมมาวาจาก็ละมิจฉาวาจาสัมมากรรมันตะก็ละมิฉากรรมันตะสัมมาอาชีวะก็ละมิจฉาอาชีวะสัมมาวายามะก็ละมิจฉาวายามะสัมมาสติก็ละมิจฉาสติสัมมาสมาธิก็ละมิจฉาสมาธินะครับกิเลสทั้งหลายที่มีมิฉามักเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะถูกละไปหมดเลย และกุศลธรรมอย่างอื่นที่จะติดตามอาริยมรรคเกิดก็จะเกิดตามมานะครับทีนี้ถ้าหากว่าโดยวิภาษนะครับความเป็นไปในส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลายบอกว่าสัมมาทิฏฐินี่นะครับมีขณะต่างๆกันในเบื้องต้นมีทุกเป็นต้นเป็นอารมณ์เป็นแผนกแผนกนะครับคือก็ต้องวิจัยทุก สภาวะของทุกแต่ละอย่างเช่นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขขนวิญญาณขันเนี่ยน ะ, ะสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องวินิจฉัยวิจัยอย่างละเอียดแล้วก็วิจัยอย่างกว้างขวางแต่ในขณะมัคคจิตนี้มีขณะเดียวกระทานิพานนั่นแหละให้เป็นอารมณ์ทีนี้แต่ถ้าว่าโดยกิจนะในขณะมัค ก, ก็มีชื่อ4ี่อย่างคือยานในทุกยานใย ทุกขสมุทยัยยานในทุกขนิโรธยานในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งแขงตลอดในขณะเดียวกันนะครับแม้สามมาสังกปะเป็นต้นก็มีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันในเบื้องต้นนะครับเช่นเนคขมะสังกปะอาจจะมีสุภาพเป็นอารมณ์ก็ได้อัพยาปาทาสังกปะก็มีปิยมนาปัสสัตเป็นอารมณ์หมายคือว่าสัตว์เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเป็นอารมณ์นะครับ อวิเหงษาสังกปะก็มีทุกขิตสั์เป็นอารมณ์เป็นต้นนะครับก็มีขณะแตกต่างกันไปส่วนในขณะมักก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับส่วนสัมมาวาจานี่นะครับเบื้องต้นเป็นวิรัติก็มีเป็นเจตนาก็มีนะครับคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวนีนศีลอวีติกมามศีลนี่นะครับเพราะมีวิพาคว่ามุสาวาทาเวรมณีเป็นต้นนะครับ ส่วนในขณะมรคนั้นเป็นวิรัติอย่างเดียวในขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนสัมมาวายามะและสัมมาสตินี่นะครับว่าโดยกิจมีสี่อย่างสัมมาวายามะได้แก่สัมมาประธานสี่สัมมาสติได้แก่สติประธานสี่นะครับส่วนสัมมาส ม, มาธินั้นในขณะมร ก, ก็มีความต่างกันด้วยอำนาจฌานมีปฐมฌานเป็นต้นนะถึงขณะขณะมรนะเช่น บางท่านได้โสดาปฏิมาคแบบปฐมฌานบางท่านได้โซดาปฏิมาคแบบทุติยะฌานบางท่านได้โซดาปฏิมาคแบบตติยะฌานบางท่านได้โสดาปฏิมบบาค แ, แบบจตุทัชฌานนะครับซึ่งแม้แต่ในองค์ฌานก็มีความแตกต่างกันในในขณะอารยมรรคนะครับเคยได้ยินนะว่ามรรคจิตมีสี่หรือยี่สิบนะครับก็ขยายไปตามนั้นด้วยอํานาจฌานนั่นเองขอโอกาสครับเออคือ ไอทงที่ว่าโสดาปฏิมัติเป็นมีปฐมฌานอะไรเนี่ยแล้วก็แตกต่างกันโดยทุติยฌา น, ตานสติฌานสตุสตุฌานทีนี้ที่จะถามเนี่ยคือถามว่าที่ได้ทราบ ม, มาว่าเวลาจ่พิจารณาวิปัสสนาเนี่ยต้องออกจากฌา น, นยังไงบ้างขณะโลกุตระครับที่พูดเนี่ยหมายถึงขณะโลกุตระแต่ขณะเจริญวิปัสสนาเบื้องต้นนั้นเป็นคณิกะสมาธินะครับ จิงอยู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฌานในขณะที่พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะไม่ใช่ในขณะฌานเพราะฌานาจิตไม่พิจารณาอยู่แล้วเพราะฌานาจิตนั้นมีโดยทั่วๆไปนะถ้ารูปฌานมีบัญญัติเป็นอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้พิจารณาขันห้าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาขันห้าก็ต้องออกจากฌานก่อนโดยที่อาศัยฌานนั่นแหละครับเป็นบาทแต่ถ้าขณะโลกุตระจิต มีนิพพานเป็นอารมณ์โลกุตระจิตนั้นเทียบระดับอัปปนานะครับเป็นถือว่าเป็นระดับฌานเพราะฉะนั้นระดับปฐมฌานทุติยฌานตัติตยฌานและจตุธชฌานนะครับแล้วทำไมมีต่างระดับกันนะก็กสุดแท้แต่ความสามารถเช่นบางท่านเนี่ยนะครับเจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่มีฌานอะไรเป็นบาทเลยนะเวลาจะบรรลุก็เทียบระดับปฐมฌาน หรือผู้ที่ได้ปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเจริญวิปัสสนามักที่เขาได้ก็จะได้ระดับปฐมฌานหรือผู้ที่ได้ทุติยฌานก่อนหน้านี้แล้วออกจากชุดทุติยฌานเจริญวิปัสสนาถ้าเขาบรรลุก็บรรลุระดับทุติยฌานนะมักของเขาก็จะแบบทุติยฌานถ้าหาว่าเขาเจริญตติยฌานได้ออกจากตติยฌานแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุอริยมรรคอริยมรรคของเขาก็ระดับตติยฌานนะครับ ถ้าหาว่าเขาเจริญจตุทชาญได้ออกจากจตุทชาญและเจริญวิปัสนามรรคของเขาก็ระดับจตุทชาญ น, นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากบาตรมานั่นเองนะครับบาตรของการเจริญวิปัสนานะว่าเขาอาศัยปฐมฌานหรือทุติยะฌานหรือตถาติยะฌานหรือจตุทชาญเป็นบาตรของการเจริญวิปัสนานะครับอันนั้นแหละครับเป็นข้อให้แตกต่างกันโสดาปติมมักเนี่ย จะต้องได้ปฐมฌานเป็นอย่างน้อยแนนน่อร่วมกันแน่นอนแล้วพระอาหารหันต์ที่เป็นสุขวิปะสะัสสกะท่านใดก็ต้องระดับปฐมฌานแล้วครับแล้วท่านคํ า, า ว, ว่าสุขวิปปสก์นี่นะครับไม่ได้แปลว่าไม่ได้ฌานนะสุขวิปปสกคือไม่ได้อารูปฌานนะครับท่านไม่ได้อารูปฌานนะแล้วครับพวกปัญญาวิมุตต์เนี่ยหมายถึงไม่ได้อารูปฌานแต่มีสิทธิ์ได้ถึงรูปฌานอย่างนี้เจะตัวฌานอย่างนี้ใช่ไหมก็มีสิทธิ์นะครับ แล้วท่านเข้าสมมาบัตอะไรได้บ้างพระอริยะทุกประเภทเข้าสมมาบัตได้หมดเลยเแม่แต่คารวะ ก, ก็เข้าสมมาบัตได้เพ <sentido. S 2> ราะพระอริยะทั้งหมดเข้าพร ะ, ะสมมาบัตได้หมดเลยแต่ก็เนื่องว่าถ้าท่านได้ปฐมฌานท่านก็จะเข้าพร ะ, พระสมมาบัตระดับปฐมฌานครับอย่างพระนนก็เข้าระดับจตุตฌานนะครับพระนนนะจะเข้าโซดาปฏิพลระดับจตุตฌานเพราะปกติพระนนก็ได้จตุตฌานอยู่แล้ว ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะผมก็เนื่องย่างพระจักคุบานเนี่ยท่านก็เข้าคงเ<อ>ข้ า, ขาสมาบัติอะไรไม่ได้ของต<อ>ัวเข้าได้ครับเข้าพระสมาบัตินะครับแต่ต้องเสวยวิมุตติสุขที่ตัวเองได้บรรลุอยู่แล้วภา<อ> ร, รยะทุกท่านต้องได้หมดนะครับแต่ทีนี้ว่าการจะเข้าพระสมาบัตินั้นก็ยังมีปัจจัยนะคนที่มีเปรยพศก็เข้าพระสมาบัติไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับพระอาหารหันทรูปหนึ่งไปกับสมมนเณนีทั้งคู่เป็นพระอาหารหันต์หมดเลยแต่ว่า อุปชาเนี่ยเอ้สมมเยสมเณรเป็นยังไงนะคือคือนี่เป็นปริโพโทแล้วนะเหมือนกับว่าส ม, มาเณรไม่มีที่พักอ่ะ น, นะสมเณรเนี่ยไปเข้าพระสมมาบัติมีความสุขอาจารย์นึกเอ้ยสมณเณรยังไงนะวันนั้นเลยไม่ได้เข้าพระสมมาบัตเลยนะนั่นก็เรียกว่าปริพโทนะครับอ่ปริโพโทลักษณะนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของอกุศล น, นะแต่ว่าคิดด้วยมหากริยานะั่นแหละเอ้สมมเยสมเณรอยู่ยังไงนะ มีที่พักหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าถ้ามัวแต่กังวลแบบนี้ก็เข้าพระสมาบัตไม่ได้นะครับแต่ว่าสัมมาเนเนี่ยไม่ได้อุปชาอยู่ดีแล้วท่านไม่ได้มีอะไรให้ข้อกังวลก็เ ข, ข้าพระสมาบัตเลยให้เห็นว่าการเข้าพระสมมาบัตเนี่ยนะครับต้องตัดเปรีพุธออกไปเช่นถ้าหาว่ามัวแต่ทำสังขกรรมอยู่ท่านจะเข้าพระสมมาบัตยังไงใช่ไหมครับก็ต้องตัดในด้านอืนอ่นๆออกไปนะครับที น, นี้ต่อไปนะครับว่า ว่าโดยวิธีภาวนาโดยนายเมียที่ว่าวิธีภาวนานะวิธีเจริญภาวนาในอารยมรรคมีองค์8ก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสลันะเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละกนะครับพอกล่าวถึงอย่างนี้นะครับทำให้นึกอย่างหนึ่งนะนึกว่า เราเคยคิดไหมว่าจะพิจารณาทุกอันนี้เนี่ยนะเช่นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเพื่อจะน้อมไปเพื่อนวิเวกนะครับน้อมไปเพื่อนิพานน้อมไปเพื่ อ, อวิเวกวิราคะน้อมไปเพื่อไม่ยึดถือนะครับวิราคะคือไม่ยึดถือเนี่ยนะครับเพื่อคลายกำหนัดเนี่ยนะเพื่อนิโรธาเพื่อความดับกิเลสแล้วก็เพื่อการสละคืนทั้งหมดเนี่ยนะคิดแบบนี้ไหมครับ เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่เคยคิดก็สแสดงว่ายังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้ภาวนาที่เป็นไปตามแนวอริยมรรคเพราะว่าแนวอริยมรรคเป็นต้นจะต้องพิจารณาเช่นเจริญวิปัสสนาเนี่ยครับพิจารณาขันเป็นต้นอันอาศัยวิเวกการพิจารณาครั้งเนี้ยต้องเป็นอุปนิสัยเพื่อวิเวกวิราคานิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับนี่คือวิธีการเจริญภาวนา อย่างเช่นผู้ที่พิจารณาถึงรูปเช่นจักขูรูปจักขูวิญญาณภาษาเวทนาโดยความไม่เที่ยงนะครับเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสติปัญญาที่พิจารณาอนั้นต้องน้อมไปเพื่ อ, อต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละนะครับตรงนั้นนะครับจึงจะเรียกว่าภาวนาจริงๆจึงจะเริ่มทําภาวนากิจจริงๆครับ วิราขาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับน้อมไปเพื่อการสละแต่พระสูตร ท, ทั่วไปจะยกย่องพ่อชงนะครับพ่อชงเนี่ยมีเยอะนะในยะการเจริญนี้ที่บอกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนี่นะครับสามารถดูได้ในสังยุตตานิกายมหาวารวัชนะครับมัคสังยุต มักขสังยุตจะพูดวิธีนี้มากจริงๆนะครับาเจริญสัมมาทิฏฐิจเจริญสัมมาสังกัปป ะ, จะเจริญสัมมาวาจากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสา ม, มาธิเนี่ยนะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับต้องน้อมนะจึงจะเรียกว่าภาวนาจริงๆแม้แต่โพูดชงก็เหมือนกั น, อ, น, นอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าบขึ้นมานะครับก็ต้อง เขาเจริญลักษณะ น, นั้นมาก <S <S <an> <t ool> เขาจึงรู้ว่าแม้แต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็มีอาหารสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็มีอาหารหรือโพชฌงเป็นต้นก็มีอาหาร <S <S <an> <t ool> เขาจึงจะรอบรู้สิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้ววูบขึ้นมาแล้วบรรลุเลยอันนี้ก็อันนี้เราคิดกันเองนะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อาจจะอ่านหนังสือจากหนังสือบางเล่มก็คาดว่าอย่างนั้นว่า อ, อย่างงี้กะเอาสมเอานะครับซึ่งไม่ใช่แน่นอนนะครับ ถ้าหากว่าใช้วิชากะวิชาสุ่มเอาเนี่ยนะพระองค์คงไม่ต้องตรัสพิสดานขนาดนี้หรอกครับเห็นบางครั้ก็จะถ้าปฏิเสธวิธีการเหลา่านี้ก็เท่ากับปฏิเสธวิธีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ในัยะเอาไว้นะครับก็เลยบางคนก็บอกนี่ปริยัติอย่างั้นนะนะครับคำพูดเหล่านี้มีโทษนะครับเพราะว่าหนึ่งที่ว่ามีโทษเนี่ยนะจะถามว่านี่ปริยัติเนี่ยคาพูดนี้เคารพไหมพุทธคารวะไหม ธรรมะคารวะตามไหมสังฆะคารวะตามีไหมมีความเคารพแบบนี้ไหมถ้าไม่มีนี่นะครับมีโทษแล้วนะคำพูดว่านี่ปริยัติกนะ็ค่าหมิ่นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะปริยัติธรรมคือพุทธพจน์คําพูดของใครก็คือตัวแทนของคนนั้นอันพุทธพจน์ก็คําพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัวแทนของพระองค์นั่นเองแม้แต่พระองค์ก็ยังบอกตรงๆเลยว่าธรรมวินัยใดเนี่ยนะครับ ที่เราแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วเนี่ยนะธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายนะเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นบอกนั่นปริยัติก็เท่านั่นพระพุทธเจ้าคําพูดเหล่านี้ก็หมินนะครับอนะ่นะหมินมินพระธรรคติอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขาดพุทธะคารวะขาดธรรมะคารวะขา ด, รรขา ด, ขาดสังฆะคารวะนะครับแสดงว่าพระองค์รู้ไม่จริงพระธรรมเหล่านี้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ไม่จริงผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จริง มันก็แสดงว่าเขาขาดความมั่นคงต่อพระธรรมตรยัยคําพูดลักษณะนี้ผมเชื่อเลยว่าเขาไม่เคยเจริญสัมมาวาจาเลยไม่เคยเอาเรื่องวาจามาไข่ควรวนเลยว่าเออวาจานี้มีโทษหรือไม่มีโทษมีผลเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับไม่มีการไข้ควรวนแน่นอนนอกจากความผีแผลงเท่านั้นเองอะไรก็ตามนะครับ พงศาดว่านิสัมมะการณังเสยโยนะครับใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทําเป็นต้นเนี่ยดีกว่าเพราะหากถ้าไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาเนี่ยนะครับเขาจะเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะกรรมนั้นๆ น, น, นะครับดะนั้นผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมอยากให้มีศรธรรมมั่นคงในภาพพระัตนะตรายซึ่งพระัตนะตรายนั้นทำมังสะระนาข้าฉามิรวมความถึงพระปริยัต ด, ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีคําว่าปฏิบัติเลยนะครับ ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะครับไม่ใช่สรารณะของเราตัวที่สิ่งที่เป็นสรารณะนั้นคือพระธรรมนะนะโดยเฉพาะพระธรรมนั้นได้แก่ปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานส่วนการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่าเอาสิ่งที่ตัวเองทําไปปะ ป, ะปนกับสรานะสรณะสารณะก็คือสรารนณะการปฏิบัติของเรายัางเศร้าหมองแต่พระรัตนตรัยไม่มี เศร้าหมองนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากผู้ที่มีความสับสนปนเปในสิ่งเหล่านี้นะครับสารณะเขาก็เศร้าหมองเมื่อสารณะเศร้าหมองเขาก็ไม่เจริญนะครับเราก็สังเกตดูนะคนที่พูดลักษณะนี้นี่นะครับเห็นเจริญขึ้นไหมปีจากกันปีหนึ่งแล้วไปเจอก็ยังเท่าเดิมจากสองปีเจอก็ยังเท่าเดิมอีกไม่ได้เจริญงอกเงยคําพูดก็วก ว, วนอยู่เท่านั้นแหละครับไม่มีเจริญเพราะขาดคาระวะนั่นเองนะครับขาดพุทธคาระวะ ขาดธรรมะคารวะแล้วก็ขาดสังฆะคาราวะทีนี้ถ้าหากว่าเขาขาดคารวะทั้งหลายเหล่านี้เจริญไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะศาสนานี้เป็นของพระผู้มีพระภาคนะครับถ้าไม่เคารพมหากรรษัตริย์แล้วยศตำแหน่งจะเลื่อนได้ยังไงนะครับเพราะว่าพระราชาเป็นผู้ให้ยศอย่างเงี้ยนะนี่ถ้าขาดศรัทธาในาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาจะเจริญงอกงามในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไร ทีนี้มาดูโดยวิธีจำแนกโดยนะยะก็ 84,000 ในนะครับอยมรตเนี่ยนะในธรรมะเหล่านั้นมักมีองค์8เป็นฉนะไหนภิกูุในธรรมะวินัยนี้สมัยใดเจริญโลกุตระชาญเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาในสมัยนั้นมักมีองค์8คือสัมมาทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะโลกุตระมรเนี่ยนะครับว่าโดยมรกเนี่ยพระ อ, องค์มาจำแนกให้เห็นประมาณ 84,000 ใน เพราะอะไรครับเพราะว่ามักของบางคนเนี่ยนะครับเป็นทุกขาปฏิปทาแต่เป็นทันธาพิญญามักของบางคนเป็นทุกขาปฏิปทาขิบปาพิญญามักของบางคนเป็นสุขาปฏิปทาเป็นทันธาพิญญามักของบางคนเป็นสุขาปฏิปทาแต่ก็ขิบปาพิญญานะครับนี่ระดับปฐมฌานมักแบบปฐมฌานนะครับ แล้วมักแบบทุติยชานก็ไปบางท่านก็เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญยาสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นต้นหน่นะเพราะฉะนั้นก็จะขยายไปในลักษณะนี้มักก็จะมากขึ้นไปตามนั้นนะครับบางคนก็เป็นฉันทาธิบดีนะในทุกขาปฏิปทาบางคนก็เป็นฉันทาทิปฏิบางคนก็เป็นวิริยาทิปฏิบางคนก็เป็นจิตตาทิปฏิบางคนก็เป็นวิมังสาธิปฏินี่นะครับ แ, นะแล้วฐานของการพิจารณาที่จะมาบรรลุ ก, ก็มีความแตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นมรรคอริยมรรคเกิดขึ้นจึงมีความหลากหลายน ะ, ะความหลากหลายอันนี้เนี่ยนะมีมากแต่เนื่องจากการค้นความไม่ถึงก็นึกว่าเออมรรคก็มรรคเท่านั้นเองนะที่จริงยังมีครอบละเอียดรายละเอียดปลีกย้อยอยู่ในนั้นตั้งมากมายนะครับเนี่ยแม้แต่ในมรรคเองนะครับซึ่งก็เป็นธรรม ท, ที่เราจะต้อง ศึกษากันต่อไปนะครับเป็นขุมทรัพย์ที่จะต้องขุดค้นกันต่อไปอีกนะครับญ า, านะแม้ทั้งหมดนั้นชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะไม่กล่าวอัถฐให้คลาดเคลื่อนนะครับที่กล่าวนี้ไม่มีผิดพลาดเลยนะครับแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาถึงพระยานอันธรรมอริยมรรคให้แจ่มแจ้งอันทองแท้นี่นะครับ กล่าวถึงนัยยะแห่งมรรคยานทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองนะครับและพระองค์ก็มาแสดงแต่งตั้งเปิดเผย ป, ประกาศทําให้ตื่นเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับประพฤติปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้เป็นนิยามนิกระทาจริงๆนะครับสอนให้สัตว์พ้นจากทุกข์จริงๆถ้าหากว่าผู้ใดสําคัญว่าคําสอนเหล่านี้เนี่ยนะช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงนะครับแค่มีศรัทธานั้นก็เขาก็ไม่ไปอบายแล้วนะครับขอให้มีศรัทธาเถอะ ไม่ไปอบายอย่างแน่นอนนะครับถ้าถ้ามีศรัทธานะแต่ก็สวยทั่วทไปแล้วเท่าที่ผมฟังคนโดยมากกลับไม่ค่อยมีศรัทธาครับเมื่อพูดอย่างนี้ลึกซึ้งไปยากไปก็คือพูดแบบลักษณะของผู้ที่ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาแล้วก็ก็ยากที่จะเจริญยากที่จะงอกงามในธรรมวินัยของพระ อ, องค์นะครับเพราะฉะนั้นบางท่านที่ฟังพุทธคุณเป็นต้นเหล่านี้แล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เจริญศรัทธาเลยครับ อย่างน้อยให้ศรัทธาให้ถือว่าโสตะวิญญาณเนี่ยนะเราเป็นลาบเลยเนาะมีโสตะวิญญาณมีชวนะที่ได้มารับรู้ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์ที่พระ อ, องค์ทรงตรัสรู้เนี่ยนะนีก็เป็นพระคุณอย่างหนึ่งของพระองค์นี้ก็เป็นพระคุณอย่างหนึ่งของ พ, อองพระอ ง, งองค์ อ, อ, งอย่างน้อยที่สุดทาใจให้ผ่องใส น, นะจะได้เชื่อมั่นในคุณของพระ อ, องค์มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบุญวาสนาของเราต่อไปที่จะมีในอนาคตแล้ว แต่ถ้าหากว่าปฏิเสธตั้งกับต้นแล้วนะครับยากที่จะเจริญได้นะครับรอบสองจะมีไหมเนี่ยนะเราลองคิดคิดดูนะเออรอบสองที่จะได้ฟังธรรมแบบนี้อีกครั้งเนี่ยมีไหมนะครับใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งนะครับนี่ยนะนะถ้าเกิดฟังธรรมแล้วก็ดิ้นอยู่นั่นแหละครับแจะว่าไงครับเออมีนะโยมที่ฟังธรรมแล้วก็ไม่นานก็ป่วยตายเลยก็มีเนี่ยนะครับ ก็ไม่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราประมาทตั้งนี้ก็เลยจินตนาการว่าวันต่อไปวันต่อไปวันต่อไปก็ไม่มีอะไรแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นกุศลรายวันที่เกิดขึ้นนี่ก็นับว่าฉลาดแล้วนะครับแต่ก็การสัมศาสตรกะสัมปัญญาการพิจารณาในรอบระยะยาวก็ควรคํานึงด้วยแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือขณะนี้นะครับเหมือนอาหารเนี่ยนะสำคัญที่สุดก็คือรับประทานเวลานี้สําคัญที่สุดแต่การวางแผนเพื่ออาหารมือ้อต่อ ต, อตอไปก็ควรเล็งไว้ด้วย แต่ที่จะอิ่มจะอดจริงๆก็เฉพาะหน้านี้นะครับก็มัวแต่คิดร้านหน้าร้านหน้าร้านหน้าท้องก็หิวไปเรื่อยอย่างนี้ก็แย่นะครับ